เรื่องเคยมีมาแล้วนักกยกรรมยกลำไม่ไผ่ขึ้นตั้งแล้วเรียกสิทธ์มาบอกว่ามานินาเธอเธอใตาไม่ไผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวอยู่เหนือต้นคอของเราสิทธ์ ร, รับคําแล้วก็ไต่ลำไม่ไผ่ขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์กล่าวนั้นนักกยกรรมได้พูดกับสิทธ์ว่านี่เนเธอเธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอ เราทั้งสองระวังรักษากันและกันไว้อย่างนี้จะแสดงศิละปะได้ด้วยจกได้เงินด้วยและจกลงจากลำไม่ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วยครั้นอาจารย์กล่าวดังนี้แล้วสิจจิงกล่าวบ้างว่าท่านอาจารย์เคารบจะทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านอาจารย์นั่นแหละจงรักษาตัวเองไว้ผมก็จะรักษาตัวผมเองเราทั้งสองต่างระวังรักษาตัวของเราไว้อย่างนี้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 เมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนนั้นอย่างไรด้วยขันติด้วยอวิหิงสาด้วยความมีเมตตาจิตด้วยความเอ็นดูกรุณาอย่างนี้และเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยภิกษุทั้งหลาย